Book 2 7เจ็ดสิบห้าเหตุผลบางประการแบกรุณานูเอ็ดทำไมคุณไมมาคะว่าฝากของมาด้อากาศแย่มาก ดิฉันไม่มาเพราะอากาศแย่มากฉันไม่มาเพราะอากาศแย่มากอาทำาไม่ทำไมเขาถึงไม่มาคะทำไเคะทำเขางไม่มาคะทำไมเขาถเขาถึงเขาไม่มาเพราะเขาไม่ได้รับเชิญ Han kommer ikke, fordi han ikke er inviteret. Tam mig kun mig ma' ka. Hvorfor kommer du ikke? De chand mig mig velar. Jeg har ikke tid. De chand mig ma' prøv med mig velar. Jeg kommer ikke, fordi jeg ikke har tid. ทำไมคุณไม่อยู่ต่อล่ะคะว่าฟะปอดิฉันยังต้องทำงานคะ่ะกดิฉันไม่อยู่ต่อเพราะต้องทำงานคะ่ะทีาทำไมคุณจะไปแล้วล่ะคะ ดิฉันเหนื่อยค่ะ j ั g är er t r ่ t ดิฉันจะไปเพราะเหนื่อยค่ะ j ั g går f ่ r ยทำไมคุณจะไปแล้วละคะทำไมคุณจึแล้วะคไปแล้วล่ะคะทำแล้ว e? ่คึัแล้ว่ะคไมคุรา่ะคึงแล้วคั่ะไมคุราะึัแล้วะคไราะแล้วค่ะ Det er